การบอกข้อมูลที่ก่อให้เกิดกระแสความขัดแย้งถามการไปบอกข้อมูลกับผู้อื่นโดยมีเจตนาดีว่าจะทำให้เขาไม่ถูกหลอกแต่กลับกลายเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลที่สจะเป็นบาปหรือไม่ตอบเป็นบุญที่คิดช่วยเหลือครับแต่อาจเข้าสู่กระแสภัยเวรได้ หากคนที่เขาเสียประโยชน์เกิดโมโหและผูกใจเจ็บแต่หากไม่ทำอะไรเลยก็ได้ชื่อว่าทำกรรมข้อที่ว่าด้วยการดูดายคือขาดจิตคิดเมตตากรุณาถ้าดูดดยบ่อยๆก็ได้วิบากคือเป็นผู้ไม่มีใครเห็นใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากช่วยเหลือกรรมในโลกนี้ยากจะทำให้สะอาดหมดจดโดยไม่มีผลกระทบครับ ไ ป, ไปมามาๆก็ต้องบอกว่านี่คือภัยนี่คือโทษของการอยู่ในสังสารวัตรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในถ้ากลางเงื่อนไขร้อยแปดที่บีบให้ทําอะไรคล้ายผิดหมดเพียงแต่จะผิดมากหรือผิดน้อยให้ผลเป็นทุกข์เป็นโทษหนักเบากว่ากันเพียงใดเท่านั้น